หนหน้าที่ของกิเลสกิเลสทุกตัวทำหน้าที่อย่างเดียวกันคือทำให้เราเลิกรู้สึกกายเลิกรู้สึกใจเพราะถ้าเรารู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆไปวันหนึ่งเราจะพ้นจากอํานาจของกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสจะไม่ปล่อยเราง่ายๆอย่าไปหลงกลเช่นภาวนาแล้วสงสัยให้รู้ว่ากําลังสงสัยอย่าไปคิดมากไม่ต้องไปฉลาดหาคาตอบหรือความโลภและความโกรธก็เกิดจากความคิดอย่างเรารักใครเราก็ต้องคิดเรื่องดีเอาไว้ก่อน มีพยาบาทวิตกก็เกิดโทสะมันหลอกเราทั้งนั้นเลยหลอกเราให้อยู่ในโลกของความคิดแล้วกิเลสก็ทำงานได้เต็มที่ถ้าเรามีสติหลุดออกจากโลกของความคิดกิเลสก็ไม่มีช่องว่างที่จะทำงานดังนั้นจึงให้รู้สึกตัวไปเพื่อให้มีสติจะไม่มีกิเลสขณะใดมีกิเลสขณะนั้นจะไม่รู้สึกตัว